บัดนี้เจ้าแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะต่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ยังต้องศึกษาเพื่อกุนเบ่้องสูงขึ้นไปนั้นเฉพาะในกรณีของอจิตปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงหลักธรรมไว้สีประการ คืประการแรกจิตใจจะไม่จะต้องไม่ถูกครอบงําด้วยอํานาจของกา ร, รมวิตุกไม่มีความเกี่ยวเกาะยินดีในวัตถุกรรมทั้งหลายจนถึงกับหลุดพ้นจากอํานาจของอิเลสกามคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความยินดีและไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายไหน วัตถุการทั้งหลายคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งตลอดถึงอารมณ์มีจิตใจที่ไม่ขุดมัวความขุนมัวของจิตใจนั้นเริ่มต้นก็ได้การที่ใจถูกครอบงามด้วยกิเลส ท, ทั้งสามสายคือสายโลภโสสะโมหะในการปฏิบัติขั้นเบื้องต้นนั้น ทงสอนเพียงแต่ให้พยายามควบคุมความคิดเอาไว้แม้จะยังมีความโลภโกรธหลงู่กตามแต่อย่าถึงกับโลภอยากได้ไปค ว, าควา้าปรารถนาในของของบุคคลอื่นอย่าถึงกับปยาบัตรปองร้ายบุคคลอื่นให้ควบคุมความคิดให้ดาเนินไปในหลักของสมาธิจิตคือปัญญาเห็นชอบแต่เมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้ว ก็จะมีการขัดเกลาสิ่งเหล่านั้นให้เจือจางลงไปโดยลำดับจนถึงกับให้มีความขุดมัวด้วยประการทั้งปวงนั่นก็คือการบารรลุเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติตามหลักที่เราเรียกกันว่าหัวใจพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้สมบูรณ์ จะ ก, การทำจิตให้ผ่องแผ้าวหมดจดจากกิเลสทั้งหลายท่านี้ท่านั้นต้องอาศัยคุณธรรมข้อที่สคือความเป็นผู้ฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายที่จริงที่รับสั่งนั้นได้เกิดความฉลาดในธรรมทั้งหลายแต่เนื่องจากสองข้อแรกข้อต้นเป็นการแสดงถึงสิ่งที่ อยู่ในกลุ่มของทุกษะได้แก่พวกวัตถุการมทั้งหลายที่รูปเสียงกลิ่นรสโปรตักพระนั้นแท้จริงแล้วตัวแก่เองก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆแต่การที่วัตถุเหล่านั้นจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ตาม มีอิทธิพลครอบงำจิตใจบุคคลอยู่ได้จนกอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางการพูดในทางการกระทำและแม้แต่วความคิดได้ <c oughs> ก็เพราะว่าจิตใจของบุคคลยังขุ่นมัวอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสดังนั้นในข้อที่สองจึงเป็นการแสดงสมุทัยสัตว์และแก่เหตุเกิดของความทุกข์ในลักษณะต่าง แต่ในที่นี้ทรงใช้เพียงคําว่ามีจิตใจไม่ขุดมัวด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งแน่นอนเหลือกเกินว่ากิเลสที่เกิดขึ้นทําจิตใจขุดมัวนั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในฐานะนั้นๆเมื่อบุคคลไม่มีจิตใจไม่ขุดมัวการเกี่ยวเกาะในวัตถุการมก็มีไม่ได้แต่การที่จะเกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาได้ ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นองค์ธรรมข้อที่สามบรรดาธรรมะทั้งหลายนั้นทรงสรุปไว้เพียงสามหมดคือควายที่เป็นกุศลแกุศลดังกลา ง, ลางตัวของบุคคลเองก็เป็นที่ประชุมของกุศลแกุศลดังกลางดังนั้นจึงไม่สามารถจะแยกจากสิ่งเหล่านี้ได้ สิ่งทั้ง3ประการนี้ได้ทําหน้าที่ของตนในส่วนที่เป็นกลางๆ ก, ก็คงความเป็นกลางๆเอาไว้แต่บางอย่างก็เป็นกฎของธรรมชาติซึ่งจะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่เป็นอกุศลก็ขอให้เกิดความทราบมองขึ้นในส่วนที่เป็นกุศลก็ขอให้เกิดเป็นความสุขความเจริญแต่เนื่องจากกุศลกับ อากุศลกับอัพญากฤตคือกลางๆและทรงแสดงแล้วในที่นี้จึงเน้นเฉพาะในส่วนที่เป็นกุศลได้ทำและที่เน้นหนักลงไปมากเพราะเป็นข้อปฏิบัติระดับสูงเน้นไปในเรื่องของโพธิปัจกัยธรรม37ประการซึ่งเริ่มต้นด้วยหลักของสติปัฏฐานสีที่ได้ศึกษากันมาแล้วโดยลำดับ จนถึงกับเป็นผู้ฉลาดในกฎของปฏิจจสมุปบาทคำว่ากฎของปฏิจจสมุปบาทนั้นมองให้ยากก็กลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้ามองให้เห็นในเชิงของกฎแห่งเหตุผลที่มีความเกิดสืบเนื่องทยอยกันไปไม่มีที่สิ้นสุดสาบใดยังมีเหตุยังมีปัใจจัยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การทำงานโดยการศึกษาเรียนบู้จนต้วนแล้วแต่อยู่ในกฎของปฏิจจสมุปบาทคือมีเป็นเหตุเป็นผลที่สืบสาวกันไปได้ทางย้อนไปสู่อดีตและคาดหมายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากว่ากฎของสิ่งเหล่านี้ยังดำเนินไปอยู่ตอนนี้พึ่งดูตัวอย่างในรูปกว้าง ความดำรงอยู่สืบต่อกันมาของประชาชนในชาติไทยนั้นที่จริงก็อยู่ในกฎของปัจจัยการคือเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยมีคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ยุคหนึ่งรุ่นลูกยุคหนึ่งก็สืบต่อกันไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการสืบต่อกันไปเช่นนี้ความเป็นชนชาติไทยก็จะสืบต่อได้เรื่อยไปดะนั้นสิ่งทั้งหลายจึงอยู่ในกฎเหล่านี้ในการศึกษาปฏิบัตินั้น ทรงสอนให้มีความฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายและมีความรอบรู้ในเชิงของปริยัตโดยการศึกษาเรียนรู้จากการฟังการสนทนาการอ่านการสอบถามการเพ่งพินิษพิจารณาเป็นตน้นแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อกระจัดความขุนมัวที่มีอยู่ภายในจิตใจอา น, นาสายกิเลสเป็นเหตุให้เกิดขึ้นนั้น บุคคลจะต้องเป็นผู้ฉลาดในการใช้ธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจตามสมควรกับโอกาสนั้นๆเพราะที่จริงแล้วธรรมกับอาธรรมนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามไม่มีโอกาสจะบรรจบกันทรงอุปมาเห็นว่าเหมือนกับขึ้นดินกับฟากฟ้าเหมือนกับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาโอกาสที่จะบรรจบ ก, กันนั้นมีไม่ได้ จากการที่ไม่บรรจบกันนั่นเองเมื่อสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งก็ต้องไม่ปรากฏยามใดที่จิตใจขุนโม้าหมองขึ้นผู้ปฏิบัติมองดูถึงสิ่งที่ขุนโม้าหมองอันปรากฏอยู่ในขณะนั้นแล้วก็สืบสาวลงไปถึงเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขุนโร้าหมองเมื่อมองเห็นชัดเจนตลอดถึงกระบวนการของอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นนั้น แล้วก็พิจารณาเลือกเฟ้นธรรมะเพราะในขณะนี้อารมณ์ความคิดจิตใจเป็นเช่นนี้คุณจะใช้ธรรมะอะไรจึงจะข่มจึงจะสลัดสกัดกันความรุนแรงของกิเลสในลักษณะนี้ได้เป็นการแก้ปัญหากันไปตามสมควรแก่กรณีนั้นๆข้อนี้บพงดูตัวอย่างเช่นเกิดความ ก, กระตุ่มเร่าร้อนขึ้น โดยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านโพ้นมาแล้วอาจจะเป็นเรื่องมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนไว้ได้จะมีความกระตุ้มวิตกกังวนในเรื่องนั้นๆบุคคลผู้ฉลาดก็สามารถเพ่งพินิษพิจารณาสอบถามตนเองถึงความคิด ที่เป็นเหตุให้กรดกลุ่มว่าคิดขึ้นแล้วจะได้อะไรหรือกลุ่มไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรในสุดเมื่อหาตั้งคําถามขึ้นหาคําตอบตั้งคําถามหาคําตอบไปโดยลาดับแล้วจะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญาปรากฏขึ้นภายในจิตใจว่าไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเดียวกลับก่อให้เกิดโทษเพราะจิตจะไปยึดมั่น อยู่ในอารมณ์ที่เป็นอดีตตั้งอนาคตบังไปเศรา้าโศกถึงเรื่องนิตติไปเพ้อฝันไปไขว่ขวายเรื่องขณะกดท่านที่จะกําหนดอยู่ด้วยอารมณ์ปัจจุบันมในกิดได้เช็จนี้แล้วบุคคลก็จะนํามธรรมะเข้าไปแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆนั้นความฉลาดในกุศลธรรมเหล่านี้เป็นปฏิปทาของท่านผุรู้ทั้งหลายแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ไร้สัตวโลก ในขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรอยู่นั้นมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นอันมากและพระองค์จะเพ่งพินิตร์ลักษณะของอารมณ์อยู่ตลอดพาความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเช่นว่าความกลัวเกิดขึ้นก็รู้ชัดวันนี้คือความกลัวพิจารณาทบทวนไปว่ากลัวอะไรทำไมจึงกลัวกลัวอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรณีนั้นๆปาญหาว่าทำไมจึงกลัวก็ะจะสืบสาวไปพราว่า การที่คนยังมีความหวาดกลัวอยู่นั้นเพราะคนมีปัญหาอยู่ภายในใจจนยกเป็นอย่างว่าคนมีคดีติดตัวก็จะมีความหวาดกลัวอยู่จะไปในที่ไหนก็มองซ้ายมองขวาอยู่เลยบางครั้งาบางคราไเห็นเจ้าหน้าที่ก็แสดงพิรุธออกมาหรือถ้ามีปัญหาอยู่ภายในใจมา ก, ก็อาจจะวิ่งหนีเป็นต้นที น, นี้ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาในหัวใจ ไม่มีคดีอะไรติดตัวอยู่ก็จะไม่มีความพิตกกังวลในลักษณะนั้นไม่เดียวซ้ายมองขวาในลักษณะนั้นไม่แสดงพิรุษอะไรออกมาความสงบก็บังเกิดขึ้นเราก็สืบสาไปถึงจุดที่เป็นสาเหตุเบื้องต้นแล้วก็พิจารณาดูว่าการที่คนทั้งหลายกลัวเพราะมีปัญหาในวัใจยนั้นเรามีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ดูให้ชัดเจนไม่สนมตัวเองเกินไปไม่เข้าใจไม่ไม่เข้าข้างตัวเองเกินไปก็จะเห็นได้ประจักษ์ชัดในกรณีที่มีปัญหาก็พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านั้นถ้าไม่มีปัญหาก็ถามไปว่าเมื่อไม่มีปัญหาแล้วจะกลัวทำไมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ประการใดจิตใจก็จะผ่อนคลายความเครียดความเก็บกดในลักษณะนั้นออกไปความโปร่งเบาก็ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิต หรือแม้แต่ในยามที่นิวรธรรมทั้งหลายบังเกิดขึ้นจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถ้าหากว่าบุคคลมีความฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายก็จะรู้ชัดว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องของกิเลสสานี้เป็นการเหนื่อยนึกถึงเรื่องอัตใยเหตุกากรรมฉันบังเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าขณะนี้กรรมฉันบังเกิดขึ้นแล้วถามต่อไปว่าการมฉันนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็สืบสาวไปถึงมูลเหตุให้เกิดจิตที่ตรึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายด้วยความคลายความรัตนาความพอใจก็จะสืบสาวไปถึงต้ด ต, ตเอเราเองแล้วเมื่อมองเห็นสิ่งซึ่งเป็นโทษอโดยปกติว่าเป็นโทษก้อนี้เป็นประการสาคัญมากถึงแม้จะใช้คําคพูดน้อยๆพอมองเห็นโทษโดยความเป็นโทษมองเห็นคุณโดยความเป็นคน เพาอะไรเพตามปกติแล้วคนก็พอรู้อะไรเป็นอะไรอยู่รู้นั่นเป็นบาปนั่นเป็นบุญนั่นเป็นคุณนั่นเป็นประโทษนั่นดีนั่นดีนั่นจุดแต่ว่าเป็นความรู้ที่ไม่เข้าถึงใจรู้คุณแต่ไม่รู้โดยความเป็นคุณของมันรู้โทษแต่ไม่รู้โดยความเป็นโทษของมันและในที่สุดบุคคลก็ยังทําสิ่งที่เป็นโทษอย่างละเว้นไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็น คนสท้ายก็ประสบความเดือดร้อนไปด้วยประการต่างๆดังนั้นจึงทรงใช้คําแม้จะสั้นๆมารู้โทษโดยความเป็นโทษรู้คุณโดยความเป็นคุณอันเป็นการแสดงหเห็นถึงความรู้ซึ่งเกิดขึ้นประจักษ์แก่ใจถ้าไม่เกิดเบื่ดนายในสิ่งที่เป็นโทษเกิดฉันท่าความพอใจในสิ่งที่เป็นคุณในสุวการบรปฏิบัติของบุคคลนั้นก็จะเดินก้าวหน้าต่อไปได้ ปัญญาเป็นหลักในการพินิจพิจารณาจนเกิดเป็นความฉลาดในกุศลและธรรมทั้งหลายจะทำให้บุคคลสามารถปฏิบัติเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมนตินใจคือสิ่งที่ทางใจให้เศร้าหมองและในที่สุดพวกวัตถุกรรมทั้งหลายก็เป็นเพียงสัรพวัตถุกรรมเท่านั้นเพราะความกำนัดราคา ย, ยินดีในวัตถุในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเป็นด้นนั้นแท้จริงแล้วเกิดขึ้นกับการมีเื้อ ความกับหนักยินดีอยู่ในสิ่งนั้นก่อนแ้วประกอบกับความเป็นผู้ไม่เฉลาดในอารมณ์ในธรรมทั้งหลายจะมีการปล่อยกายปล่อยใจให้เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์เหล่านั้นแต่เมื่อบุคคลมีความฉลาดขาจัดความขุ่นมัวขจัดสิ่งที่เป็นปัญหาใจหรือสิ่งที่เป็นเชื้อของกิเลสทั้งหลายออกไปได้รูปเสียงลินรดซึ่งคงมีอยู่ตามปกติ เพราะเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติก็จะดำรงอยู่อย่างนั้นในความรู้สึกของท่านก็สักแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุทธพะธรรมารมณ์เท่านั้นไม่ดีใจไม่เสียใจไม่กำนักไม่เพลิดเพลินไม่ยินดีในอารมณ์นั้นข้อปฏิบัติที่ทรงกำชับไว้ในตอนหลังคือความเป็นผู้มีสติ สงา์ใ้คำเป็นปฐาบาลีอีกคำหนึ่งว่าพึงเว้นรอบซึ่งหมายความว่าธรรมะคือสติที่เป็นหลักคุ้มครองใจและปรากฏในองค์ธรรมทั้งหลายเพราะตัวการสําคัญในชีวิตของคนนั้นอยู่ที่สติกับปัญญาถ้าขาดสติกับปัญญาก็จบสิ้นกันเรื่องสติจึงต้องมีในธรรมทั้งหลายแต่สงช์ใช้คำว่าเป็นผู้มีสติ ซึ่งหมายความว่ามีสติกากับในการระลึกทั้งหลายระลึกชัดว่านั้นเป็นวัตถุกรรมนั้นเป็นกิเลสกรรมนั้นเป็นเครื่องขุนมัวใจนั้นเป็นเครื่องให้ใ จ, จิตใจมีความสงบมีความสะอาดบางกิึ้นคือระลึกได้อย่างชัดเจนและรืดรึกทันในแต่ละขณะที่เกี่ยวข้องสัมพนันธ์กับอารมณ์เ่านั้นบางครั้งบางคราวอาจจะเกิดเพอเรอหลงดม หรือพลังพลาดไปแต่เพราะความจับปวยของสติที่ได้ฝึกปลืออบรมมาก็จะทำให้ระลึกได้เร็วแก้ไขความผิดพลาดเหล่านั้นไปได้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็ทรงใช้คำว่าพึงเป็นรอซึ่งก็หมายความว่าในการาระลึกนั้นต้องระลึกได้อย่างทองแท้ระลึกได้อย่างทองแท้ในอะไรระลึได้อย่างทองแท้ใน กลุ่มของธรรมทั้งสามประเภทดังกล่าวนั้นกลุ่มที่เป็นวัตถุกรรมคือกลุ่มที่เป็นรูปสิ่งกลิ่นรถนั้นเมื่อมีสติระลึกได้เพราะอาศความฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลก็เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงคือโดยสภาวะของมันพอแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัย แกดำรงอยู่ได้ก็เพราะเหตุปัจจัยแต่ในที่สุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปไม่มีอะไรสิ่งใดหรือใครจะคงสภาพเดิมของตนเองไว้ได้ในฐานะหนึ่งก็จะมีการเสียดแทงก่อให้เกิดความร้ร้อนด้วยประการต่างๆเมื่อมองเห็นเช่นนี้แล้วถึงแม้จะต้องเกี่ยวเกาะ ก, กับสิ่งเหล่านั้น ก็สามารถปรับใจทําความเข้าใจต่อสิ่งนั้นได้โดยท่องแพรแล้วปล่อยวางได้ในบางโอกาสบางขณะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายมากเกินไปเพระาะลักษณะของความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดทุกข์ดังนั้นเจพวพบว่า ยาไใดก็ตามที่จิตใจของบุคคลไปมีความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเรามาความลำบากความสับสนบุนวายทางอารมณ์ก็จะบังเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าของเราหรือเป็นเราน้อยลงอาการตปร่งเบาทางในจิตก็จะติดตามมาก็านี่พึงสังเกตว่าในการปฏิบัติทำจิตให้ส ง, งบนั้น ถ้ายังมีความเป็นของเรามีความเป็นเราสิ่งนั้นของเราเจ็นบ้านของเราอะไรต่อะไรของเรารอบตัวอยู่นั่นมัน จ, จะวิ่งไปข่วงใหญ่ในสิ่งนั้นมากที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คาว่าปริพเทศคือกังวลมากและความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นวิธีการของพระพุทธเจ้าจึงพยายามลดในเรื่องของเราให้น้อยลงจะแนะนาให้ไปบาเพ็ญเพียรอยู่ในป่า หรือแม้จะมีที่อยู่ก็มีที่อยู่เล็กๆแคบๆไม่มีบริการไม่มีเครื่องใช้ที่ใจจะไปเอื้อมไปเป็นห่วงไปเป็นกังวลว่าของเรามากเกินไปเพื่อจะดึงใจเข้าหาความสงบได้ง่ายบางครั้งสมชายตฐานที่นั้นว่าสุญยาขานคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่ว่าเป็นของเราไม่มีอะไรที่ต้องผวดใจวิตกกังวล แต่ทําให้บุคคลควบคุมความคิดให้สงบอยู่ในเรื่องเหราได้หรือแม้แต่รู้สึกว่าเป็นเราเกิดมาหน้าความถือตัวขึ้นมามีความสําคัญมั่นหมายในฐานะนั้นๆเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นคนมีความสําคัญทุกคนต้องให้เกียรติยกย่องเราไม่ควรรบกวนเราเป็นต้นผมมีความเป็นเรามากขึ้นจิตใจก็จะเป็นไปเพื่อ เพิ่มพูนมานะขึ้นภายในจิตใจที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจะมีการเชิดชูตัวเองทะนุตนอมตัวเองปุงใหญ่การเปลี่ยนแปลงการตกตันหรือการจะไม่ได้รับความเคารพในฐานะที่สมศักดิ์ศรีของเราความสงบก็เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้ดันั้นพระบมญรภาพเจ้าจริงทรงเชียวเห็นว่าการที่จิตไปยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้ เป็นความทุกข์รวบยอดคือโดยสรุปแล้วก็เป็นเช่นนั้นเป็นลักษณะของอารมณ์ต่างๆที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่จะสังเกตได้ตามความเป็นจริงเช่นว่าเห็นคนเดินไปข้างหน้านึ่ว่าเป็นเพื่อนก็ไปยึดถือด้วยความดีใจแต่พอไปถึงปรากฏว่าไม่ใช่เพื่อนก็ปล่อยวางได้ความดีใจนั้นก็หายไป จะเห็นคนที่เป็นรู้สึกรู้สึกว่าเป็นสตรลเกิด ค, ความวิตกกังวลไม่สบายแต่พอเดินไปพรุ้ออไม่ใช่ไม่ใช่สตรลอาการเหล่านั้นก็จะหายไปนี่แสดงว่าเกิดขึ้นจากการยึดถ้าไม่ยึดไม่ไปกําหนดหมายก็ไม่มีปัญหาใดสิ่งนั้นก็คงเป็นสิ่งนั้นอย่างที่ทรงใช้คำว่ารูปก็สักเทวะรูปเสียงก็สักเทวาเสียงกลิ่นก็สักเทวะกลิ่นหร อ, อย่างที่ทรงแสดงแกท่านภญะธรุจุรยา พอไม่เห็นก็สักแต่ว่เห็นเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ก็หยุดไว้เท่านั้นไม่มีการปรุงคิดคิดปรุงอีกต่อไปใจของบุคคลก็จะไม่ขุดหมัวเศร้าบแต่การจะลึกได้ในลักษณะนี้จําเป็นจะต้องมีสติเป็นตัวระดึกอะไรเป็นเหตุแห่งความเล่าร้อนเป็นความทุกขเว้นที่สงสัยกำมาเว้นรอบคือหมายความว่าเว้นไปทุกกรณี ไม่ใช่ว่าปล่อยสิ่งนี้แล้วก็ไปจับสิ่งนั้นอย่างที่ทรงอุปมาให้เห็นถึงอาการปล่อยปล่อยและจับปล่อยและจับนัยงอุปมาเหมือนวา น, นอนที่วิ่งไปในสวนคือแก่ปล่อยจริงแต่แก่ปล่อยเพื่อจับจับต่อไปแล้วก็ปล่อยอีกก็จับอีกถ้ามีการปล่อยมีการจับอยู่ในลักษณะนี้ไอ้ช่วงปล่อยก็ไม่มีปัญหาแต่ช่วงจับก็มีปัญหาต่อไป ดังนั้นเวลาสอนในรูปของการปฏิบัติยันนี่ต้งสอนไว้ว่าขันธ์ห้าเป็นภาระอนะันหนักแต่บุคคลก็ยังมีการแบกมีการหาักมีการหามขันธ์ห้าเหล่านั้นเอาไว้รูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราปัญญาของเราหรือเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราก็แล้วแต่จะแบก ยิ่งขกินไปกว่านั้นก็ยังไปแบกขันของคนอื่นทีละห้าขันทีละห้าขันทีละห้าขันมันก็ยึ่งหนักมากพระพระพุทธพภาเจึงแสดงความจริงของโลกว่าแต่คนก็ยังแบกยังแบกขันทั้งห้ า, าไว้ถ้าปล่อยวางจะได้ก็จะมีความสุขแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อปล่อยวางแล้วจะไม่ไปแบกขันเราอื่นดี อาจจะปร่งตกเรื่องตัวเองเรามายุคก็ปู๋นนี้แล้วไม่กี่วันก็ตายแล้วจะอยู่อีกไม่กี่ผ้านุ่งนะเป็นห่วงลูกเขาเป็นห่วงหลานเขาหลานก็ยังเล็กลูกก็ยังตั้งตัวไม่ได้ปล่อยวางห้าขันแต่ไปแบกสิบขันมันก็หนักเพราะงั้นในกรณี น, นี้จะพบว่าการเป็นรอบในที่นี้หมายความว่าเมื่อปล่อยวางได้แล้ว ก็ต้องเป็นการปล่อยวางจริงๆไม่ใช่ปล่อยวางเพื่อแบกในสิ่งที่หนักกว่าธรรมาทั้งสีประการนี้เมื่อก่าวโดยสรุปก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระพุมีพระรพเจ้าทรงแสดงอริยสัจส์่แต่เป็นการแสดงอีกแนวหนึง่งพวกกรรมคุณทั้งหลายนั้นทรงแสดงในรูปของทุกขัสัิ์ความขนโมของใจ เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากกิเลสกิเลสเป็นอะไรเป็นพวกสมุทยัยคือเป็นเหตุเกิดแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงชี้ที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการขาจัดเทศเพราะฉะนั้นในจุดนี้มีทั้งนิโรธสัตว์และมีทั้งสมุทัยสัตว์ความเป็นผู้มีใจไม่ขุนโมเป็นนิโรธอาการขุนโมทางใจเป็นสมุทยัย จะทำอย่างไงจึงจะกระจัดความขุนัมให้กลายเป็นความไม่ขุนัมได้ก็ทรงสอนว่าต้องเป็นผู้ฉลาดในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วอาศัยสติความระลึกความฉลาดก็คือปัญญาความรู้เมื่อสติกับปัญญาทรหน้าที่ระลึกรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นปฏิบัติถูกให้ถูกต้องเหมาะสมคือสิ่งที่ควรกาหนดรู้ก็กาหนดรู้สิ่งที่ควรล ก, ก็ล สิ่งที่เป็นเป้าหมายก็กำหนดเป็นเป้าหมายเอาไว้สิ่งใดที่ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อทำได้เช่นนี้บุคคลผู้นั้นจะสัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากความรู้รู้ดีรู้ชอบตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป